เมื่อยไหมกับการที่กล้ามเนื้อเกรงมือเกรง็งขาเกรงแขนเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือว่าใจนี่นแหละถ้าปล่อยให้ใจทุกนะมันก็ไปซ้าเกิดซ้ําเติมความทุกข์ไกลบางทีอาจจะความทุกข์อาจจะคูณ2คูณ3ไปเลยทีเดียวนะเมื่อเราปล่อยให้ใจทุกไปด้วยและที่ใจทุกมันก็เพราะอะไรเพราะว่าการที่ผลักไส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 ใจมันก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่อใจกลับมาเป็นปกติทุกใจนะก็อาจจะเลือนลางหายไปก็คงเหลือแต่ความทุกข์กายความหนาวกายเราจะพบ ว, ว่ามันเป็นเรื่องที่ทนได้ไม่ยากไอ้ที่ทนไม่ได้ก็คือใจที่มันบ่นโวายตีโพยตีพายและถ้าเราศึกษาดูใจของเราไปเรื่อยๆก็จะพบ ว, ว่า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 ไม่ใช่แค่ความหนาวอย่างเดียวจะเป็นเสียงก็ได้นะถ้าเสียงดังเข้ามานะถึงศาลานเนี่ยแม้จะเป็นเสียงคนพูดคุยเบาๆแต่พอใจไม่ชอบหรือใจผักสายแล้วนี่ก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าเสียงที่ดังในห้องในศาลานเนี้อาจจะเป็นเสียงริงโทนที่ไพเราะเป็นเพลงที่เราอาจจะชอบด้วยซ้ํา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 กลับจะรู้สึกเป็นบวกด้วยซ้าเพราะเห็นว่าเป็นเสียงแห่งความศรัทธาเคารพในพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับเราเราก็ยอมรับเสียงเหล่านั้นไม่ปฏิเสธมันเพราะไม่ปฏิเสธใจก็เป็นสุขหรือสงบได้พวกเราที่ใครที่เคยไปสังเวชนิสถานโดยพระพุทธคยาเนี่ยอาจจะเข้าใจเท่อาตมาพูดได้ เพราะว่าพุทธคยามีคนชาวพุทธไปสักการบูชาพระเจดีแล้วก็พระศรีมหาโพนี่วันนึงเป็นหมื่นคนพลุกพล่านผู้คนถึงแม้จะไม่ค่อยพูดคุยกันแต่ว่าก็ส่งเสียงดังในอีกแบบนึงคือว่าสวดมนต์สวดมนต์ประทักศิน์ไม่ได้สวดเปล่าๆปล่านะใช้เครื่องขยายเสียงด้วยสวดเสร็จก็มาทำวัดต่อที่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 เรากับว่าไม่ดีนเสียงดังเหล่านั้นเลยนะจริงได้ยินนะแต่ว่าเขไม่รู้สึกอะไรเขาสงบได้เพราะใจเขยอมรับว่าเออนี่เป็นเสียงแห่งศรัทธาแห่งความ ร, รักรึกถึงพระตนัตไตรจะเรียกว่ารู้สึกในทางบวกกับเสียงเหล่านั้นก็ได้ใจก็เลยสงบ ว่าใจสงบหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีเสียงดังมากระทบหูหรือเปล่านะแต่มันอยู่ที่ว่าใจเรารู้สึกอย่างไรต่อเสียงนั้นหรือมีท่าทีอย่างไรอาการเนาวแบบนี้เนี่ยสำหรับบางคนถ้าเกิดว่าเขาตามล่าเพราะว่าอยากจะได้เจอบรรยากศาศหนาว หนาวกว่า น, นี้เขาก็ยังรู้สึกเฉยๆอย่างที่เราอาจจะสังเกตคนที่ขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์นะพวกนี้ก็ไปตามล่าความหนาวนะบางทีเราจะเคยเป็นคนหนึ่งในนั้นก็ได้นะหนาวกว่า น, นี้นะต่ำกว่าสิบหรือว่าเกือบศูนย์องศานี่เขาก็ไม่มีทีท่าอาการทุกข์อะไรเลยไม่ใช่เพราะอาการของเขา อากาศที่เข้าสัมพัสเนนะี่ยมันมันหนาวน้อยกว่าที่นี่นะป่ามันหนาวกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าใจเขารู้สึกเป็นบวกกับความหนาวที่นั่นนะเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรแม้กายหนาวแต่ใจไม่หนาวด้วยนะอันนี้เพราะใจเขายอมรับนะหนาวกว่า น, นี้เขาก็ไม่ได้บ่นโวยวายอะไรหรือไม่ได้ทุกข์อะไร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 มะเร็ก็ทําได้เยอะมากก็แค่ความทุกข์กายแต่ว่าทําให้ทุกข์ใจไม่ได้ส่วนเซลล์มจะไม่ทําให้ทุกข์กายแต่พอใจยอมรับมันไม่ได้ลังเกียดมันชิงชังมันก็ทําให้ทุกข์ใจท่วมท้นเลยให้เราเลยรู้ได้นะจากเรื่องจากเรื่องนี้เนี่ยจากความหนาวนที่กําลังเกิดขึ้นกับเราใช้ความหนาวเนี่ยมาเป็นโอกาสในการ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 เมื่อความหนาวสัมผัสดูจิตนะว่าจิตมันมีปฏิกิริยามานลุกสึกอย่างไรต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแน่สังเกตนะใจเราเนี่ยมันชอบไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นสุขว่าสิ่งที่เป็นทุกข์มากกว่าสิ่งที่เป็นสุขอย่างตัวเรานี่ก็ถูกข่มถูกคลุมด้วยเสื้อผ้าที่อบอุ่นแต่บ่อยครั้งใจมันชอบไปจ่อไปปักอยู่แถว ร่างกายส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมเช่นนิ้วมือทั้งที่ส่วนที่อุ่นในร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะมีถึง 80-90% ซแต่ใจมันไม่อยู่ตรงนั้นมันดันนะไปจดจออยู่ตรงปลายเท้าปลายมือซึ่งเยน็นหนาวแล้วก็เป็นทุกขนะ์ลองเอาใจเลื่อนมาที่ส่วนที่อุ่นนะ เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาวมากมายไม่ได้ทุกอะไรเลยแต่ใจเราชอบไปอยู่ในที่ทุกขมากกว่าที่สุขชอบนึกถึงความทุกข์มากกว่าความสุขชอบนึกถึงสิ่งที่เป็นลบมากกว่าสิ่งที่เป็นบวกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของใจหรือของหลายคนก็ได้นะเราลองเลื่อนใจของเราพาใจเรามาอยู่ใน บริเวณหน้าอกที่มันอุ่นนะเราก็จะสึวมมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกร้อนอะไรเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเาการเจริญสติเนี่ยมันมีสองส่วนใหญ่ๆนะสองภาคใหญ่ๆภาคแรกคือให้ทำความรู้สึกตัวเมื่อกายเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนไหว ด้วยอิริยบาบถใดเช่นเดินยืนพรนะเจ้าตรัสนะในแกวนุนปัสสนาสีปทานว่าให้ทำความรู้สึกตัวเมื่อเดินไปข้างหน้าถอยหลังเมื่อเหลียวซ้ายแลขวาเมื่อทรงสังคติจีวรทรงบาทเนะมื่อคู่ขาเหยียดขา เมื่อกินดื่มลิ้มเสพเมื่ออุจจระปั ส, สวะเมื่อยืนเมื่อพูดเมื่อคุยเมื่อนิ่งอันนี้เป็นการจริเซติในยานที่มีการเคลื่อนไหวอันนี้คือภาคภาคภาคแรกนะภาคที่สองคือว่าให้ฝึกสติเมื่อเกิดผัสสะขึ้นผัสสะคือว่าเมื่อ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 นะเมื่อจิตกระเพื่อมเพราะว่าเกิดผัสสะขึ้นมาก็รู้ทันนะบางทีก็พูดสรุบง่ายๆว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะใจคิดนึกได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะเมื่อเกิดผัสสะนะจริงๆความคิดนึกมันก็เป็นผัสสะอย่างหนึ่งนะคือเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแล้วใจไปรับรู้อันนั้นก็เรียกว่าผัสสะได้เกิดขึ้นแล้ว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 แต่เนี่ยและขณะเดียวกันเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเสียงกระทบหูหรือว่ารูปมากระทบตาหรือว่าความร้อนความหนาวสัมผัสกายเนีเราก็ใช้สติเข้าไปดูส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตาเห็นรูปเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่กับรูปทันทีเลยนะหรือไม่ใจมันก็กระเพื่มอันนั้นคือคนที่ไม่ได้มีสติหรือไม่ได้ใช้สติ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 เห็นความหนาวนี่ใจไม่หนาวมันหนาวแต่กายเห็นความปวดใจไม่ปวดนะมันปวดแต่กายซึ่งก็จะช่วยทาให้ความทุกข์มันลดลงไปได้เยอะทีเดียวอาจจะสองในสามก็ได้พืดอ่งนี้ก็เพราะว่าเขาเคยมีการทำวิจัยพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนเข็มทิ่มไปเนี่ยความเจ็บ จะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของคนที่ไม่เจ็บอไม่กลัวความกลัวนี่เป็นตัวเพิ่มความเจ็บปวดให้มากขึ้นความกลัวนี่ก็เป็นการผลักไสยอย่างหนึ่งนะเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับของใจมันก็เลยแสดงอาการเป็นคนความกลัวแล้วเมื่อใจกลัวแล้วเนี่ยพอเกิดภัสสะคือเข็มชิมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดที่แขนปวดที่มืออย่างเดียวมันปวดใจด้วย ไอ้ความปวดใจนี่ก็เรียกว่าเป็นสองเท่าสาเท่าของความปวดกายก็ว่าได้แต่ถ้าเรายอมรับได้ว่าเออจะมาถึงนี่แล้วนะจะฉี ก, ก็ฉีดไปเราวางใจเป็นกลางมันก็มีแต่ความปวดกายแต่ว่าใจไม่ปวดให้เราหมั่นดูใจแบบนี้ด้วยดูใจด้วยสติเห็นไม่ค่อยไปเป็น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 เวลาตาเห็นรูปกรรมเนี่ยเด็กก็ใช้สติเห็นความดีใจที่เกิดขึ้นแปดควมนะในส่วนใหญ่เนี่ยแม่กับพ่อใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปกรรมเนี่ยหรือเห็นแหวนเห็นเพชรเนี่ยใจก็ไปปักตึงตรงนั้นแล้วความดีใจเกิดขึ้นอย่างไรก็มองไม่เห็นแต่เด็กคนนี้เนี่ยพอตาเห็นรูปกรรมเนี่ยสติเห็นความดีใจเกิดขึ้นเลย และเห็นด้ยนะไม่เข้าไปเป็นนะเด็กถึงตอบว่าเห็นข้างในมันดีใจเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจค่ะต่างกันมาระหว่างหนูดีใจกับหนูเห็นข้างในมันดีใจนะนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างเห็นกับการเข้าไปเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นเราเข้าไปเป็นเลยนะยหนูดีใจหรือว่าถ้าปฏิบัติแล้วเครียด ก, ก็เห็นหนูเครียดรู้สึกว่าหนูเครียดไม่ใช่หนูเห็นความเครียดเวลาฟุ้งซ่านก็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 เด็กทั้งเห็นและไม่ค่อยไปเป็นแล้วก็รู้เฉยๆรู้สื่อๆนะอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนบางทีนักปฏิบัติที่เป็นผู้ใหญ่นี่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงเห็นเขไม่ค่อยไปเป็นแล้วก็รู้เฉยๆรู้สื่อๆเนี่ยแต่เด็กปลายครบนี่เขาเขาทาได้แบบสบายเป็นธรรมชาติเลยก็ไม่รู้เขาใครสอนเขานะ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 เมื่อวานนี้ทำดีมากเลยนะโอ้ยพอวันนี้นี่จะพยายามเอาให้ได้เอาให้ได้แทนที่จะทำด้วยความรสึกสบายก็ทําด้วยความการบีบเค้นการบังคับแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันก็ไปนึกถึงอดีตว่าเมื่อวานนี้เราทําได้ดนะีก็อยากจะได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ้างอันนี้ก็คือว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง